วันในอัตถกถาพระโหธาตุกะสูตรอนุปาตาวักเนี่ยนะมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตกล่าวว่าเมื่อศาสนาเสื่อมไปแล้วเนี่ยนะท่าก็จะชุมนุมกันแล้วก็ที่ที่ไหนมีการเคารพก็จะไปชุมนุมกันพูดกันที่ศรีลังกาเนี่ยนะท่าก็จะมารวมกันที่มหาเจดีย์มหาเจดีย์คืออะไรคือสุวรรณมาลิกะเจดีย์เจดีย์ที่มีช้างล้อมรอบ น, นะนะ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 พระพุทธศาสนาก็ชื่อว่าอันตทานแต่ตอนนี้เนี่ยไปหลายๆแห่งก็เหมือนกันเนี่ยนะมันก็ไม่อันตทานมันก็เหมือนกับอันตทานนั่นแหละก็เหลือแต่ส่วนอิติปิโสได้บ้างนะหนักๆเข้าก็ค่อยตัดตอนมาเหลือนิดๆหน่อยๆนะเหลือลัลัตอนตอนพอหนักๆเข้าก็เหลือเป็นพิธีกรรมดีว่าไปแขวนไว้กับงานศพ บ, บ้างไปแขวนไว้กับงานนั่นงานนี่มันก็เลยค่อยอยังชั่วหน่อก็ยังสืบทอดแต่หนักๆเข้าในที่สุดก็ไม่เหลือเลยอันตทานศูนย์สลายไปก็เรียกว่าโลกกลับคืนสู่ ภาวะปกติภาวะที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็อย่าลืมบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนี่เป็นของยากเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็จบมหาปรินิพพานเกี่ยวกับเรื่องการปรินิพพานของพระพุทธเจ้ามั่นบุญกุศลเหล่าใดที่บังเกิดขึ้นเพราะจิตใจเลื่อมใสที่มีต่อพระรตนะไตรขอกุศลเหล่านี้ช่วยปกปักรักษาให้เราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญ ทางปัจจุบันและอนาคตต่อๆไปเธอเนนะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้